เมื่อปฏิบัติถึงขั้นรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวคุณก็จะเริ่มรู้ขึ้นมาระงๆว่ากายนี้ไม่ใช่ความบังเอิญความรู้สึกว่ากายเป็นตัวคุณตัวคุณมีอยู่ในกายนี้คือก้อนมืดก้อนโมหะอุตตันไม่ให้รู้สิ่งใดมากไปกว่าความจริงที่ว่ากายนี้กําลังหิวหรืออิ่ม กายนี้กำลังร้อนหรือหนาวกายนี้กำลังอยู่ในที่ที่มีภาพน่าดูหรือเสียงหน้าฟังหรือไม่ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจที่เกิดขึ้นบีบให้เกิดความรู้สึกมีตัวมี ต, มตนขึ้นมายิ่งพอใจหรือไม่พอใจแรงขึ้นเท่าใดตัวตนยิ่งทวีเข้มข้นความยึดมั่นยิ่งแน่นเหนียวขึ้นเท่านั้น แต่พอปฏิบัติธรรมถึงขั้นรู้สึกเข้ามาในตัวเห็นกายสักแต่เป็นหุ่นทื่อไร้ตัวตนนิ่งบ้างขยับเคลื่อนไหวบ้างกับทั้งเห็นจิตสักแต่เป็นธาตุรู้ไร้เจ้าของถูกปรุงแต่งให้ขาวบ้างดําบ้างทราบว่าอารมณ์ยึดอารมณ์อยากสักแต่เป็นภาวะกระสับกระสายชั่วขณะของจิตไม่ได้มีหน้าตาตัวตนของคุณอยู่ตรงไหนจริง ณจุดนั้นถึงแม้ยังไม่อ่านระลึกชาติคุณก็จะรู้สึกว่ากำแพงบางอย่างหายไปเห็นกายใจที่ติดตัวมาแต่เกิดไปอีกอย่างเช่นรู้ตามจริงว่าคุณไม่ได้สร้างไม่ได้ออกแบบกายนี้แต่ก็ทึกทักมาตลอดอ้างมาตลอดว่าของเราของเราตัวเราตัวเราการเริ่มเข้าใจแรงๆว่า รูปภัณฑ์สันฐานนี้ไม่ได้มีขึ้นโดยบังเอิญจะทำให้เกิดสติอีกแบบหนึ่งเช่นเมื่ออยู่กับผู้คนโดยรู้อิริยาบถปัจจุบันของตัวเองว่าเป็นอย่างไรอยู่กับทั้งรู้อิริยาบถปัจจุบันของเขาเป็นอย่างไรด้วยก็อาจเกิดความรู้ขึ้นมาว่าคนเราไม่ได้แตกต่างกันแบบฟุกฟุกทุกอย่างมีการออกแบบไวทั้งคุณภาพของรูปร่างหน้าตา คุณภาพของสมองคุณภาพของน้ําเสียงตลอดจนคุณภาพของจิตสำนึกและเมื่อประกอบกับทิศทางความรู้ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครเคยทําไว้แบบไหนก็ต้องสวยผลแบบนั้นถึงจุดหนึ่งของสติคุณจะรู้ว่าทุกคนอยู่ในเกมกรรมและที่น่ากลัวที่สุดก็คือไม่มีใครรู้ว่า กติกาเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบไหนรู้แต่ว่าเกิดมาก็รูปร่างหน้าตาต่างกันแล้วแต่ต่างกันเพราะอะไรก็ไม่รู้ต่างคนต่างสลืมสลือมาเจอกันกลางฝันที่ไรต้นไรปลายแบบไม่รู้อีโน อ, อีเน่ด้วยกันทั้งสิน้นความรู้อันเกิดจากการเจริญสติจะค่อยๆช่ำแรก แทรกผ่านความไม่รู้ทั้งหลายเห็นความจริงที่ปรากฏทนโทษตรงหน้ามาแต่เกิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสอนิสงส์ของการเจริญสติว่าเมื่อทำได้เมื่อทำถึงเมื่อจิตเจริญขึ้นเป็นสมาธิรู้ซึ้งย่อมเป็นผู้ฉลาดเรื่องกายเรื่องจิตเห็นว่ากายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนและกายใจก็ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลที่ไหลมาแต่เหตุเดิ คือกรรมเก่ากับทั้งเป็นที่ตั้งของเจตนาคือกรรมใหม่เวียนไปเวียนมาไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหลุดจากความไม่รู้ไปเสียได้